คนที่มีศรัทธาจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามิรมรตรทรงตรัสว่าเป็นคนเชื่อง่ายในเมื่อท่านผู้นั้นเป็นคนเชื่อง่ายถ้าใครจุงไปในทางที่ผิดก็ผิดง่ายถ้าผูจ้จงจุงไปในทางที่ถูกก็ถูกง่ายถ้าจงไปหาความเลวก็เลวง่ายจงไปหาความดีก็ดีง่าย นี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชักผู้จงผู้แนะนำเป็นผู้ที่ทรงความดีอยู่เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านผู้นั้นเป็นพระอริยเจ้าก็จะสามารถดึงอบคุณผู้มีลมทรงศรัทธาจริตเป็นพระอริยเจ้าได้ง่ายฉะนั้นสำหรับท่านที่ทรงศรัทธาจริตอยู่ อาตมาเห็นว่าเป็นเจริตที่มีกําไรมาก <c oughs> เพราะว่าเขาสามารถจะเข้าถึงฌานสมาบัติเข้าถึงมั่งถึงผลตั้งแต่เบื้องต่ําถึงเรงเบื้องสูงได้โดยไม่ยากเพราะว่าเป็นคนเชื่ออยู่แล้วตอนนี้ความเชื่อที่จะต้องแก่เพราะว่าความเชื่อนี้มีได้สองสถาน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 ยังทรงแนะนําไว้ว่าถ้าจะเชื่อก็ชนใช้ปัญญาช่วยพิจารณาด้วยที่ตามพระบาลีบอกว่าต้องใช้ศรัทธาสัมปยุทธ์ไปด้วยปัญญาคําว่าสัมปยุทธ์ก็แปลว่าประกอบเอาปัญญาช่วยเชื่อด้วยใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตัวปัญญาตัวนี้น่าจะเป็นพุทธจริญ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 ท่านผู้นั้นจะเข้าถึงมรรคถึงผลได้โดยง่ายนี่ในฐานะที่เขาเป็นคนที่มีความเชื่ออยู่แล้วองค์สมเด็จพระบพีตแก้วก็ป้องกันความเชื่อนั้นไม่หลงไปในทางที่ผิดดฉะนั้นท่านที่มีศรัทธาจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรจึงทรงแนะนำให้ใช้กรรมฐานหกอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ทางที่ดีแล้วก็ควรจะใช้หมดทั้งหกอย่างเพราะว่าถ้าใช้กรรมฐานครบทั้งหกอย่าง <c oughs> ก็เป็นพระโสดาบันชั้นดีเพราะว่าพระโสดาบันก็พระสกิทาคามีองค์สมเด็จพระจินทร์ีทรงตรัสว่าท่านทั้งสองนี้จะมีอารมณ์จิตหนัก ไปในด้านของอาทิเศนาสิทธาอันนี้สำหรับบุคคลที่มีศรัทธาจริตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำกรรมฐานไม่หกอย่างคือหนึ่งพุทธานุสตินึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์สองธรรมานุสติ นึกถึงความดีของพระธรรมเป็นอารมณ์นี่เป็นกรรมฐานคิดสามสังขานุสตินึกคถึงความดีของพระอริยสงฆ์เป็นอารมณ์สามสีลานุสตินึกถึงความดีของการปฏิบัติศีลเป็นอารมณ์สี่ยาคานุสตินึกถึงทางการบริจาค การสละทรัพย์สินให้เป็นประโยชน์ความสุขคขนส่วนรวมเป็นอารมณ์ให้นกเป็นห้าแล้วหกเทวตานุสติมึกพิงคุณงามความดีคือคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาเป็นอารมณ์ได้แก่หีริและโอต ป, ปะนี่ถ้ามาพิจารณาในกรรมาฐานทั้งหกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนาว่าท่านที่มีศรัทธาจริต ก็ควรจะมีอารมณ์จิตหนักอยู่ในกรรมฐ า, านท่าหกประการนี่สําหรับพระกรรมฐ า, านทหกประการนี้เช่นพุทธานนสติกรรมฐ า, าน <c oughs> ที่มาสอนกันเป็นสองแบบแบบที่เป็นปกติก็ใ้ภาวนาพราพุทโธบ้างสัมมาระหังบ้างเป็นต้นอย่างนี้เป็นการทรงอารมณ์จิตให้เป็นสมาธิ แต่เนื้อแท้จริงๆองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ทาแบบสบายคือให้เป็นการใช้ปัญญาแทนนี่เป็นเนื้อแท้ของกรรมาฐานกองนี้องสมเด็จพระจันาร์ศีให้ใช้ปัญญาเพื่อทั้งพุทธานุสติกดีธรรมานุสติกดีสังคานุสติกดีศีลานุสติกดี ยาคานุสติกนดีเทวตานุสติก็ดีเนื้อแท้จริงๆของกรรมฐานทั้งหมดไม่ใช่เป็นกรรมฐานที่ทรงอารมณ์ปักคือไม่ได้ทรงอารมณ์แนบสนิทเหมือนกับนาปานุสติห ร, รือกสินเป็นกรรมฐานสําหรับอารมณ์คิดเช่นเดียวกับกายคตานุสติและสุะกรรมฐานต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องคิดพิจารณาถึงความดี พิจารณาดูว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีตรงไหนทําไมเราจริงต้องยกย่องสรรเสริญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นคนดีและเป็นพระดี <c oughs> ท่านเป็นผู้นําที่ดีก็ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้คนทั้งหลายปราศจากทุกข์ให้พยายามแสวงหาความสุขในด้านต่างๆ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 สอนคนให้รู้จักความดีทาตนให้เป็นเทวดาสอนคนให้ทำความดีสูงไปกว่านั้นทำตนให้เข้าไปถึงความเป็นพรมและก็โดยดีสุดสอนให้ตัดความทุกข์เสีทั้งหมดคือตัดความเกิดตัดความแก่ตัดความเจ็บตัดความตายตัดความพัดพราจากของลกของชอบใจโดยทำใจของตนให้เข้าถึงพณิพาน์ นี่ความดีขององค์สมเด็จพระพิชิตแตมาในฐานะที่เป็นพระพุทธเจา้าทรงบำเพ็ญในฐานะพุ ท, ธ, ท, าพท ธ, ธาจริยาทำอย่างนี้นี่องค์สมเด็จพระจินสีก็มีจริยาอย่างหนึ่งคือโลกาธาจริยาทรงประพฤติในเป็นประโยชน์กับชาวโลกอันนี้พระพุทธเจา้าถ้าพิจารณาเห็นว่าบุคคลประเภทนี้ ่าเริ่มแนะนำขั้นสวรรค์ขั้นพุมธโลกคขนิพันธ์ไม่มีผลองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงแนะนำให้ปฏิบัติตนให้เป็นความสุขในฐานะคราวาสที่ดีเช่นในที่ปฏิบัติเป็นข้อวัดปฏิบัติสำหรับคราวาสโดยโตรเพื่อมีความเป็นอยู่เป็นสุขขอดีสามยาจัตตาริยา องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําหรือทรงเคาระญาติให้เป็นสุขนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีจริยาสามประการเป็นประโยชน์ใหญ่กับชาวโลกอย่างยิ่งญาติถือว่าเป็นผู้มีความสําคัญและแต่คุณแห่งการเกิดก็ทรงสนองคุณแห่งพระบรมญาติของพระองค์ให้มีความสุข ในในคราวที่วิดูแต่พระจะเข้าไปถึงข้ า, พ ร, า, รรางงพระประยุทธญาติองค์ ส, สมเด็จพระเบรมรุกข์ก็น่าจะทรงเสด็จไปนั่งอยู่ข้างทางก็เป็นการห้ามปรามแต่ว่าเป็นการห้ามปรามโดยเฉพาะอาการดุสนิ่งเฉยเฉยไม่ได้พูดห้ามเ <c oughs> มื่อวิดูแต่พระเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ข้างทาง ก็เสดจลุงจากคอช้างไปถวายมาสกการแล้วก็พากองทัพกลับครั้งที่สองไปอีกก็ทรงทําแบบนั้น่ิทูพระก็กลับครั้งที่สามเขาจะยกไปองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าเป็นกฎข้องกรรมที่เป็นอกุศลเดิมจะให้ผลแก่หมู่พระประยุร์ญาติบางท่านเรื่องกฎข้องกรรมนี่องค์สมเด็จพระวิชิตมารไม่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 เห็นว่าพระองค์เป็นเด็กกว่าตอนที่จะไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดหมู่พระประยชนญาติมีพระราชบิดาเป็นต้นองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงทําปาฏิหาริย์ให้ปรากฏจนหมู่พระประยชน์ญาติทั้งหลายเหล่านั้นพากันละพยศไม่เทีตัวว่าดีกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรด นี่เป็นอนวุวาพระพุทธเจ้ามีประโยชน์กัหมูเพราะประโยชน์ญาติที่มีประโยชน์กระชาวโลกก็ตามที่ถวายพระพรมาแล้วว่าสอนในด้านขีหิปฏิบัติพระโพนี้สอนขั้นสวรรค์ขั้นภมขั้นอิปานไม่ได้ก็ให้เขารู้จักรักษาความสุขในฐานะที่เป็นผู้ทุชนคนธรรมดาเป็นอนวุวาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า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 ให้มีอารมณ์ใจไม่ไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายสิ่งกันละกันไม่คิดทำลายล้างสิ่งกันละกัน <c oughs> นี่จะเห็นว่าความดีเขา อ, องสมเด็จประสงทันทรงสเสด็จไปสอนพุทธบริษัทโดยไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นต้องนอยกลางดินกิงกลางทาย ที่อยู่ไม่มีความแน่นอนมีป่าเป็นที่อาศัยมีถ้ำเป็นที่อาศัยอยู่นอนกลางแจ้งนอนโคลนต้นไม้แม้ว่าพระบรากายจะลาบากเพียงใดก็ตามทีองค์สมเด็จพระจินสีไม่ทรงท้อถอยอันนี้จัดว่าเป็นความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ควรจะระลึกนึกถึง เมื่อคนที่ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนพระองค์มีความสุขจรงมีผลสุขจริงในชาติปัจจุบันไม่ต้องหมายถึงสัมปราอย่าบและนี่มาพิจารณาความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในด้านพระธรมรมพระนุ่งองค์ทรงนําพระธรรมตั้งแต่ต่ํำถึงสูงมาสอนบรรดาทานพุทธบริษัท ต, ตามความต้องการ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 ให้หลีกเลี่ยงส่วนแห่งความทุกข์สี่ประการคือหนึ่งนรกสองเปตสามอสุรกายสีสัตว์เดชฉันนี่พระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระพิิตธรมานถ้ารับและปฏิบัติตามจะมีผลตามนี้องค์สมเด็จพระจินสีจึงให้สนใจใครคนในพระธรรมของพระองค์เป็นสำคัญและสำหรับพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระพิชิตธมาน เรียกกันว่าอานุพุทธะกร็รา้ว่าท่านผู้นี้จัตุรูตามพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละความชั่วท่านก็ละความชั่วให้ประพฤติความดีท่านก็ประพฤติความดีให้ทําใจให้ผ่องแผ้วใสเป็นแก้วไม่มีกิเลสเจียผลท่านก็ปฏิบัติตามกระแสพระสดธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพล ไม่ละถอยไม่ท้อถอยไม่เกียจคร้านทำจนสำเร็จมรรคผลและก็นำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพุสมมาสอนบรรดาท่นผุตบริษัทไม่สะสมทรัพย์สมบัติไม่มักมากวุฒิการมารมณ์ไม่ติดอยู่ในโลกีวิสัยทำใจให้ปลอดจากโลกธรรมทั้งแปดประการ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 มันไม่สศกจริงไม่ติดอยู่ในความสศกของโลกถ้าความเบียดเบียนอันเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์เกิดจากชาวโลกท่านก็วางเฉยเป็นอุเบกขาที่เรียกว่าสังขารุเบกขายานทาจิตสบายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคำนินทาเกิดขึ้นท่านก็เฉย ก็ถือว่านัติโลเก อ, อนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ถูกนินทาอย่างหนักท่านไม่หวั่นไหวในคํานินทาใครจะมาสรนเสริญก็ไม่ยินดีแต่ก็ไม่ปฏิเสธเพื่อรักษากําลังใจของบุคคลผู้สันเสริญเตืนเนื้อแท้ของน้ําใจไม่ได้ยินดีไปตามนั้น เพราะทราบอยู่ว่าเราจะดีหรือจะชั่วไม่ใช่ถ้อยคำวาจาของบุคคลผู้กเราจะดีจะชั่วได้เกิดจากการกระทำของตนเองเป็นสำคัญนันํำพระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระประกรั์มาสอนพทูทธบริษัทประพฤตปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างนี่คือว่าเป็นความดีของประสงค์ที่คนจะปฏิบัติตามสำหรับศีล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 พระพุทธเจ้าก็ดีพระสงฆ์ก็ดีได้กล่าวว่าถ้าท่านต้องการเราเป็นที่พึง่งเราขอให้ที่พึ่งอันดับแรกกัท่านคือหนึ่งท่านจงเป็นผู้มีจิตเมตตาปราณีมีความสงสารคือมีความรักมีความสงสารเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันจะเป็นคนหรือเป็นสายก็กตามไม่มีความสำคัญ เรารักเขาเสมอไปด้วยเรารักชีวิตของเราเราพอใจในการเกื้อกูลเขาเสมอในการเกื้อกูลตัวเราถ้าไม่เกือ้อวิสัยไม่ประหัดประหารไม่ประทุษร้ายเสิ่งกันอะกันเพื่อการประหัดประหารการประทุษร้ายเสี่ยงกันอะกันเป็นปัจจัยนำมาเส่งความทุกข์เขาก็ทุกเราก็ทุกเราทำร้ายเขาเขาก็ม่งทำร้ายเราไม่มีความสุข ถ้าเรามีความรักกันมีความสงสารเกือ้อกล่อมเส้นกันอะกันเจอหน้ากันเมื่อไร่ความสุขใจมีเมื่อนั้นใ น, นด้านศีลศีลานุสติกรรมฐ า, านนึกไว้ถ้าต่อไปจงเคารพเตชะทิทรัพย์สมบัติของผู้คลอื่นมีความสันโดษคําว่าสันโดษนี้ไม่ได้แปลว่าขี้เกียจคือยินดีในทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบทำ ไม่ใช่ว่ายินดีเฉพาะทรัพย์ที่เพิ่งมีอยู่ถ้าแปลอย่างนี้ไม่ตรงกับความมุ่งหมายขาององค์สมเด็จพระบระมโคให้ยินดีเฉพาะทรัพย์ที่เราหามาได้เองโดยชอบธรรมไม่ลักไม่ขโ ม, มยไม่ยือ้อไม่แย่งไม่คดไม่โกงเขาถ้าทําอย่างนี้เราก็มีความสุขบุคคลอื่นก็มีความสุขเว่าเราเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต จะไปที่ไหนก็มีแต่มิตรศัตรูหายากเมื่อมีมิตรมากศัตรูหายากเพียนใดความสุขกายสุขใจก็เกิดขึ้นกับเราพ่อที่สามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าท่องการท่านเป็นดีพึงก็จงอย่าละเมิดในสิทธิความรักคือสตรีหรือสามีผู้รักเป็นที่รักของบุคคลอื่น เนื่นอง่ากเมาเมื่ในการเมสุมัมชาจารย์ทำชู้ลูกเขาเมียเขาหัวเขาคนในปกครองของเขาคําว่ากาเ ม, มนี้ไม่ได้หมายเฉพาะพัญยาของเขาสามีของเขาไม่ใช่อย่างนั้นลูกเขาหลานเขาคนในปกครองของเขาทั้งหมดถ้าต้องการต้องได้รับอนุญาตจากท่านผู้ปกครองเสียก่อน ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากท่านผู้ปกครองก็หมายความต้องมีโทษผิดในดานกามเมสมิชาจารันนี่คนรักเรารักเราไม่ต้องการให้ใครมาร่วงเกินคนที่เราปกครองชั้นใดเราก็ไม่ทำกับบุคคลอื่นเช่นนั้นนี่เรากับท่านทั้งหลายเหล่านั่งต่างคนต่างก็จะมีกันกมีความรักซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มีความสุข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 ท่านผู้มีการรับฟังก็ไม่ต้องการฉันนั้นแล้วก็จงอย่าใช่วาจาส่อเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกราวกันแอบน้อยความอิจฉาได้ศีลยาเนื้อปรามาสสิ่งกัแกลกันเราไม่ต้องการอย่างนั้นชาว บ, บ้านเขาก็ไม่ต้องการแล้วจงอย่าใช่วาจาที่ไร้ประโยชน์เพ้อเจ้อเหลวไหลหาประโยชน์อะไรไม่ได้ วาจาเช่นนั้นเป็นที่สะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟังเราไม่ต้องการรับฟังเขาก็ไม่ต้องการรับฟังต่างคนต่างทรงวาจาในด้านของความดีคือพูดจริงตามความเป็นจริงใช่วาจาอ่อนหวานคือไม่กล่าววาจาหยาบใช้วาจาที่เป็นสุภาสิตไม่มีจิตอิจฉาเสียสอเสียเส่งกันหลยกัน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 สติสมัมปชัญญะมันก็จะฟันฟ่นเฟือนสามารถจะทำความชั่วได้ทุกอย่างแม้แต่พ่อกับแม่ก็สามารถจะฆ่าได้ทั้งท่านที่ท่านมีคนใหญ่ก็ความเมาจากนำเมาทำลายพระสาททำไา้สติสมัมปชัญญะดันั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทงแนะนำว่าเจ้าต้องการให้เราเป็นที่พึง่งจงปฏิบัติในกฎหาประการนี้ ถ้าปฏิบัติปฏิบัติได้ดีผลนี้พึงได้ก็คือศีเลนสุขติยันติเมื่อปฏิบัติได้ในชาตินี้ท่านจะมีความสุขสุขเพราะเป็นคนที่ไม่มีเวรไม่มีภยัยมีมิตรมากกว่ามีศัตรูศีเลนะโพก็สมัฏาเพื่อทรงความดีอย่างนี้ได้ทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่จะไม่สลายตัวไปในเหตุที่ไม่สมควร ทรบจะเยือก เ, อกเยน็นสีเลนนั้นิพุติงยันติสีจะเป็นปัจจัยให้มีน้ำใจสงบ ห, หมดอารมณ์ฟุ้งซ่านหมดอา ร, รมณ์งความเป็นทุกข์มีแต่ความสุขตลอดเวลานี่พูดถึงในชาติปัจจุบันนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระพิชิตมานทรงแนะนำให้ปฏิบัติในสีรานุสติกรมาฐานสีนีใช้อารมณ์คิดพิจรารณาใครคนไม่เสมอ เมื่อนักปฏิบัติทั้งหลายต่างคนต่างพิจารณาสิ่งไคลส่วนสินและก็ทรงสินสได้เป็นปกติมีความมั่นอยู่ในสินไม่ทำให้สินขาดสิ้นด่างสินพร้อยเป็นอนวุวาเป็นผู้ทรงสินสบริสุทธิ์ได้ว่าสีลานุสติกรมันฐานความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตน ในแง่ดับต่อไปองค์สมเด็จพระเทสสลทรงแนะนำให้ตั้งอยู่ในจาคานุสติกรรมฐานคำว่าจาคานุสติกรรมฐานก็ได้กากการคิดจะบริจาคทรัพย์สินหรือว่ากำลังกายกำลังปัญญาให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนสาธารณชนตอนนี้สิงก็ดี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 อารมณ์ไม่มั่นคงในพรมีหานสี่ก <c oughs> ็รักษาสินให้บริสุทธิ์ตลอ ด, ดกาลตลอดสมัยไม่ได้เพราะว่าพระมีหานสี่มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมมทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าได้เสียาเขากอยยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดี อมเบขาทรงอารมณ์วางเฉยในเมื่อกฎข้องกรรมเข้ามาถึงตัวหรือว่าไม่ซ้ำเติมบุคคลผู้เพียงพร้ำมีความทุกข์ให้ได้รับความทุกข์ยิ่งขึนไปนี่ประมาหาบุพิจจะทรงเห็นได้ว่าเขามีหานสี่เป็นหลักใหญ่ในการทรงศีลได้จากขานุสติกรรมฐาน อยู่อยู่จะมาคิดว่าเราจะให้คนนั้นจะแจกคนนี้จะทำประโยชน์กับคนนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีกำลังใจเปลี่ยมไปดได้พริหาสี่ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตากรุณามโมทตตาสามประการแล้วเบคาก็มีความสาคัญเพื่อจะคานนสติกรรมฐานในข้อ น, นี้องค์สมเด็จพระมหาโมนีตรงแนะนำให้ให้ให้หมด คำหมดไม่ใช่หมายที่ว่าหมดของคือไม่เลือกบุคคลผู้ให้หวังใจให้เป็นประโยชน์บุคคล น, นั้นจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติจะเป็นพวกหรือไม่ใช่พวกก็ตามถ้าเขามีความทุกข์พอจะแบ่งปันให้มีความสุขได้เราก็ต้องการส่งเคราะห์เต็มใจให้ให้ด้วยความเต็มใจหวังในการเ ก, กลียดโกนจริงๆไม่หวังผลตอบแทนตามที่พระมหาบุพพิก ทรงวินิจฉัยมาว่าเพียงแค่จาคะตะเดียวสามารถปณิพาน์ได้อันข้อ น, นี้อจะมารับรองว่าคนถ้าไม่มีจาคะจะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้จะไปพุทธโลกก็ไปไม่ได้แล้วจะไปนิพพานได้ยังไงและถ้าจะกล่าวกันไปว่าคนปราศจากจาคะเสิ่อย่างเดียวจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังเกิดไม่ได้ เพราะว่าไม่มีการเสียสละในการเห็นแก่ตัวถ้ายังเห็นแก่ตัวเพียงใดบุคคลนั้นไม่สามารถจะเปิดมากลับมาเกิดได้แม้แต่เป็นมนุษย์ถ้ามีจาฆ่เสียสละอันนี้คำว่าเสียยังมีอยู่ตามที่ทรงวินิจฉัยไว้อันนี้ถือว่ากำลังใจยังต่ายังมีจิตดึงเท่าที่ทรงวินิจฉัยไว้นะั้นตรงตามความเป็นจริงทุกประการ แต่ข้อต่อไปตัดธรรมเสียเอาไปเหลือแต่สละที่ทรงวิจารณ์มาที่ทรงเห็นว่าข้อนี้ก็ยังไม่ดีแท้ถ้าต้องใช้คําว่าตัดธรรมเสียออกใช้ธรรมสละอย่างนี้เป็นเทวดาได้เป็นชมได้ถ้ายังใช้ธรรมเสียสละเห็นจะเกิดได้แค่มนุษย์เท่านั้นถ้าตัดตัวสอออกเหลือแต่ตัวละตัวเดียว คำว่าละตัวนี้กินความหมายหมดถึงว่าละกิเลสให้เป็นสมบุเฉมบารา์ไม่มีการผูกพันใดๆในโลกีวิสัยกำลังใจของทุกคนได้ทำได้อย่างนี้ไปนิพพานได้ในชาติปัจจุบันทั้งหมดอันดับแรกคือละเล็กคือละวะัตถุต่อไปคือละกำลังใจในด้านความชั่วแล้วก็มาสร้างสมความดี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 ถือว่ารูปปัจจันและรูปปัจจันเป็นบันไดก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเท่านั้นไม่ใช่ดีแค่นั้นละความถือตัวถือตนละอลารมณ์ฟุ้งซ่านละฉันทะกลับมาขอขอประทานภัยละฉันทะกับราคะที่เห็นว่าโลกมนุษย์เทวโลกพุทโลกเป็นของดีมีความต้องการอย่างเดียวคือความบริสุทธิ์ของจิตเพื่อพระนิพพาน นี่คำว่าละที่พระมหาโมพิตรพระราชาสมผานทรงวินิจฉัยมาเป็นประโยชน์แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทมากอาตามาจึงไขอพระราชทานนำถ้อยคำทั้งหลายเหล่านี้ไปให้เป็นไปสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เป็นประโยชน์ต่อไปแล้วพระมหาโมพิตรก็ทรงอนุญาตแล้วอันนี้ถือว่าเป็นพระมหากรณาธิคุณยิ่งใหญ่ ทอตาตมาก็ต้องจดแล้วก็จําไว้ว่าเป็นประโยชน์แก่บรรดาท่านคนบริษัทและเป็นประโยชน์แก่ธรรมาม า, มาก <c oughs> <c oughs> นี่เป็นอนันว่าจ่าคะจะทรงอยู่ได้ก็เพราะอา ศ, าศาัยพรบริหารสีพรามิหารสีคุมศีลคุมจาคะและตอบมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ปฏิบัติ พิจารณาใคร่ครวนและปฏิบัติในเทวตานุสติกรมาฐานในเทวตานุสตินี้มีธรรมดูสมแวาการคือฮิริและอุตต ป, ปะฮิริอายเสมอเป็นคนขี้อายอายความชั่วเกรงว่าความชั่วจะเห็นตัวเข้าคอยหลบความชั่วตลอดเวลา ทั้งในที่รับและในที่แช่งไม่ยอมให้ความชั่วเห็นหน้าหนีให้ไกลแสงไกลหลบไว้เสมอไม่ยอมสู้หน้ากับความชั่วเพราะความอายโดยการีสองโอตปะมีความหวัดหวันขั่งค้ามเกรงอันต ร, รายที่จะเกิดจากความชั่วหลบอยู่เสมอหนีเสมอไม่ยอมให้ความชั่วเข้ามาถึงตัวก็กลัวมาก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 ตามที่องค์สมเด็จพระพรเมนสุขทรงแนะนำคนที่จะพึงได้มีอะไรบ้างคนที่จะพิจารณาถ้าจะกล่าวว่าบุคคลนี้เป็นเป็นสาธุชนคนดีก็ใช้ได้ถ้ากำลังใจต่ำนี่แต่มาถือว่าคนนั้นเชื่อต่ำถ้าเชื่ออย่างกลางก็เรียกกันว่าเป็นกัลยาณชนคําว่่เชื่อต่ำ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 ถ้าอยู่ในกลุ่มของเขาเขาทำอย่างนั้นเราก็จำจะต้องทำตามเรียกว่าทำเหมือนกันแต่ว่าไม่เต็มใจนะักกำลังใจไม่เต็มเตี่ยมอย่างนี้เรียกว่าเป็นสาธุชนเป็นคนพอมีความดีอยู่บ้างที่สามารถเอาตัวรอดไม่ทวงนรกถ้าเชื่ออย่างกนญญานชนขั้นกลางเชื่อในขั้นปางกลางดีขึ้นมาหน่อย ทำใจให้ทรงตัวยู่ในอำนาจพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติทรงศีลเป็นอารมณ์มีจาะคะเป็นปกติมีหิริโลตะปาเป็นระจำด้กำลังใจยังเข้มข้นน้อยมีความมั่นไม่กันแต่ยังไม่มั่นถึงที่สุดอย่างนี้เป็นกัญยาในชนสามารถจะเกิดเป็นพรหมโลกได้ ใ้าไว้สายอย่างต่ำก็เกิดเป็นเทวดาอย่างดีเกิดเป็นพรมถ้าอารมณ์นิยมจริงๆหรือว่ากฎทั้งหกประการนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องถือเป็นสระณะตัวจะตายก็ยอมตายดีกว่าอย่าปล่อยให้สระณะทั้งหกประการนี้สลายตัวไปคำว่าสระณะถือเอาเป็นที่พึ่งสระณะแปลว่าที่พึ่ง ต้องคิดไปเสมอว่าจะต้องยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจะิยาใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสัญาทรงปฏิบัติมาแล้วจะปฏิบัติจริยานั้นตามรจริยาขององค์สมเด็จพระบัณฑแก้วถึงแม้ว่าจะไม่ถึงก็ตามจะพยายามทำที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้จะรักษาความดีนั้นไว้ด้วยชีวิต จะไม่ยอมคิดคลายความดีนั้นแม้แต่ตัวจะตายเพื่อทําคําสั่งสอนใดๆที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าคนปฏิบัติพร้อมที่จะปฏิบัติและจะทรงความดีนี้ด้วยไว้ด้วยชีวิตและไม่คิดจะทําความชั่วที่พระพุทธเจ้าส่ห้ามถึงแม้ว่าใครจะบังคับว่าท่านจงดื่มสุราถ้าไม่ดื่มสุราเราจะค่ายตายแล้วก็ยอมตายเสียดีกว่าไม่ยอมดื่ม นี่เป็นบริการที่สองบริการที่สามทำใดที่บรรดาพระอริยสงฆ์ท่านหลายนี่อาตจมาจํากัดลงไปในคําว่าพระอริยสงฆ์ไม่ใช่ว่าพระสงฆ์ท่านหลายคําว่าพระสงฆ์ท่านหลายความจริงคําว่าพระแปลว่าประเสริฐแต่บางทีสงฆ์ท่านไม่คยประเสริฐนักก็มี มีปฏิบัติตัวผู้ยี่ผู้ยำไม่สมควรในฐานะที่เป็นสมณนะก็มีถมไปฉะนั้นขอพระมหาพิททจงทรงกำลังใจในส่วนของพระอริยสงฆ์เป็นสำคัญว่าท่านหลายเหล่านี้นั้นพ้นจากทุกมันได้กับพระปฏิบัติตามกระแสพระสธรรมเทศนาคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตร เว้นข้อดีทรงห้ามประพฤติตามในข้อที่ทรงแนะนำให้ทำตามจะต้องปฏิบัติตามปฏิบัทาของพระอริยสงฆ์อยู่ตลอดเวลาจะไม่ยอมขายจากความดีอันนี้แม่ตัวจะตายก็ตามทีมานดับที่ 4, สี่สินห้ารายการนี้จะทรงไว้ด้วยชีวิตจะไม่ยอมคิดทำลายสินทังแม้ว่าตัวจะตายยอมตัวตายดีกว่าสินขาย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 ไม่ต้องการให้เขายินดีเขาก็ยินดีไม่ต้องการให้เขามาคุ้มภัยอันตรายเขาก็คุ้มเพราะเขามีความรักถ้าลงรักเสร็จแล้วก็ไม่อยากแยจากกันไม่ต้องการให้คนรักมีความทุกข์ต้องการส่งเสริมคนรักให้มีความสุขยาคะยาคานุสติถือว่าเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่ง ที่ทำจิตใจชุ่มชื่นทาไม่มีความสุขเป็นการทำลายกิเลสตัวสำคัญคือโลภะสำหรับศีลเป็นกิเลสเป็นการทำลายกิเลสตัวสำคัญคือโทสะก็มีรมมัน่นคงเพราะศีลต้องมีเมตตาปเป็นเบื้องหน้าคือเมตตากับกุณนางสองรายการเป็นตัวนำถ้าไม่มีเมตตากุณาทสองรายการศีลส่งอยู่ไม่ได้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 ข้อนี้ต้องรักษามันโดยชีวเหมือนกันขึ้นชื่อว่าความชั่วเราจะเป็นคนอายเสมอคนชี้อายอายชั่วหลบหน้าความชั่วอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าใครจะบังคับคิดว่าจะเข็นจะฆ่าจะบังคับถ้าไม่ปฏิบัติความชั่วจะค่ายตายก็ยอมตายดีกว่ายังไงยังไงก็ไม่ยอมสบตายกับความชั่วไม่ยอมคบหาสมาคม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 การที่อาตมาถวายพระพรมาอย่างนี้ก็ถือหลักที่องค์สมเด็จพระจินทร์งตรัสว่าพระโสดากับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีศีลบริออสุทธิ์เพื่อธิศีลศิษยาสำหรับพระนาคามีเป็นผู้มีจิตอต่ทิจิตต่ิกขาคือทรงชานยิ่งตอนนี้ต้องใช้กำลังสูงกำลพงชาน เราต้องประหัตประหงางกรมราคะกามฉันทะกับปิฆะคือความโกรธความพยาบาตให้ทีน่น่าจปจากจิตในตอนนี้ก็ขอบนอยู่แค่ประโสูดากับพระสกิทาคามีถ้าพิจารณาให้ดีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสตามสัญญา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 มีสมาธิเล็กน้อยและมีปัญญาเล็กน้อยยังไม่มากนักเป็นของเบาๆฉะงนั้นการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องกล่าวว่าพระโสนดากศสกิธาคามีตัส ก, กายะทิถีเอกายักัสกายะทิฐิตัวนี้ก็เพียงเบาๆคือมีความรู้สึกอยู่เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตาย ในการตายนี่ไม่มีเวลาเที่ยงแท้แน่นอนอาจจะตายเดี๋ยวนี้อาจจะตายวันนี้อาจจะตายวันหน้าตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายตอนค่ำตอนกลางคืนตองดึกแยาตายด้วยการปกติแยะตายด้วยการอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตายได้ทั้งหมดเป็นอนุวาทท่านที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตยังในข้อนี้สาหรับพระสดาบัน คือไม่เผลอจจกความตายตัวอย่างที่พึงถือเอไว้ง่ายก็ได้แก่เฟส ก, การีทิดาซึ่งเป็นลูปสาคนนายช่างหกพระองค์สมเร็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนแสดงว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงขอเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงประกอบกิจความดีไว้เสมอ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 นี่ถ้าจะกล่าวโดนสังโยชน์ทั้งสามรายการก็จะเห็นว่าพระโสดาบันไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าตนจะต้องตายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรขึ้นเชื่อฟังอยู่เสมอไม่สงสัยในคำสอนรักษาศีลบริสุทธิ์ตัวชีวิตและก็ท่าสำรักปัญดาท่านพุทธศาสนิกที่มีศรัทธาจริต ทรงคุณธรรมทั้งหประการด้วยชีวิตถ้าจะไม่กล่าวว่าเป็นพระโสดาบันจะกล่าวว่าอย่างไงนี้ถ้าจะมองไปจุดหนึ่งว่าองค์ของพระโสดาบันที่กล่าวไว้แล้วเป็นสัญญอดิเถื่ถึงละเมื่อละแล้วอารมณ์จะต้องทรงอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนี่จุดที่พระโสดาบันทรงอยู่นั่นก็คือหนึ่ง เขาเรียกกันว่าองค์พระมาโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง 2. มีความเคารพในพระธรรม 3. มีความเคารพในพระสงฆ์รวมความวัชรณะทั้งสามประการนี้มีความมั่นคงจริงๆแล้วสมีศินห้าบริสุทธิ์นี่พระโสดาบันทรงคุณธรรมจริงๆเป็นแค่สประการ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 อันนี้จะพิจารณาได้จากพระสูตรเช่นท่านสุ ป, ปะพุทธกุฏิที่ฟังเทศจ้องค์สมเด็จพะ ร, ะระสัมมาสัพพทธตเจ้าแล้วบรรลุพระสูดาปฏิผล <c oughs> เพื่อใัยท่านเป็นคนจนเป็นขอทานเมื่อจิตใจเข้าถึงพระสรดาบัญความชุ่มชื่นก็อเกิดความเลิ่มปีติปรากฏล้นพล คิดว่าถ้าองค์สมเด็จพระทศพลทรงทราบว่าเราเป็นพระโสดาบันองค์คงจะดีใจมากในตอนเชา้าเตรีตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคปราบปรามนาจะถวายกราบทุเนศทรงทราบว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันแล้วในขณะเดียวกันพระอิงก็มาทดลองสุปะพุทธผู้มีใจเป็นแก้ว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 กล่าวอย่างนี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามกล่าวเล่นๆก็ได้ท่านสุ ป, ปะพุทธะชี้หน้าพระอินหาว่าพระอินถอยท่านมาหาว่าเราเป็นคนยากจนเขินใจเราจนก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเป็นการจนโลกิยศทรัพย์สำหรับอริยทรัพย์ของเรามีมากมายใช้กล่าวว่าจะชัตวาจาเช่นนั้นเรากล่าวไม่ได้ท่านจงหลีกไปให้คน นี่จะเห็นว่ากระแสวัสดธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพุทสุรงรับรองว่าคนที่เป็นปบระโสดนดาบันนั้นมีความมั่นในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ถ้าจิตตั้งตรงลงเฉพาะในสินห้าบริสุทธิ์ไม่ยอมขาดสายอันนี้อาตมาก็ขอถวายพระพร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 ให้รมคิดให้รมจับเข้าถึงจุดจริงๆถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงปฏิบัติได้แบบนี้จริงๆได้ความทรงตัวท่านเป็นประสนาบันตามที่พระพุทธเจ้าทรงตั์ไม่ใช่อาตมาพยากรณ์เาสำหรับในด้านของศรัทธาจริตที่สมเด็จพระมหาบพิตรทรงมีความประสงค์อาตมาบันทึกให้ถวาย เวลานี้มองโลนิกาคิมวเทพจะหมดแล้วก็ขอยุติว่าจะเพียงเท่านี้